การปฏิบัติเนี่ยไม่ได้สอนให้รูล้ลการสอนให้ลูกง่ายสอนให้เป็นถ้าสอนให้ลูกก็บอกทำใอุปการละมากสองอย่างชติคือความระลึกได้สองปัญญาวามรู้ตัวว่าสองรอบสามรอบก็จำได้รู้แล้วไปตอบเขาออกปัญหาทำอะไรที่เป็นอุปการละคุณ เขาก็ตอบสติสั้นวิญญาเป็นอุปการลูกคนเหมือนกับพ่อกับแม่เขาตอบได้ได้ใบประกาศมาห้อยขวาได้เลยตอบได้ความรู้แปลว่าทําไม่เป็นรูู้่ตรงไหนตันนี้เราจงมาไม่ต้องไม่ต้องพูดก่อนเอากายไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ได้พูดสักคำเลยเอากายไปสัมผัสไปรู้สึกกับคมรู้สึกตัวน โอ้รู้สึกรู้สึกเนี่ยแล้วได้รู้สึกเนี่ยก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดขณะที่พูดที่ทําที่คิดเดีว่ารู้สึกตัวแล้วกับรู้สึกตัวกุบเดียวัริงๆมาพร้อมสมบูรณ์แบบไม่ใช่มีสติไม่ใช่ไม่เพิ่มสมรช ญ, ญะไม่ใช่มาพร้อมกันอันเดียวกัน พิกมือปักเนี่ยรู้แล้วก่อนก่อนจะพิกมือรู้สึกการรีมือตั้งไว้อยู่แล้วลิกได้แล่ว่ารู้สึกตัวยกขึ้นรู้แล้วเอามานี่รู้แล้วยกมานี่ยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้รู้อีกรู้อีกรู้อีกรู้เบาเบารู้สดชื่นรู้บริสุทธิ์นะ